สวัสดีครับพี่น้องครับดีครับวันนี้ใครทำงานไามครับไม่มีคนทำงานนะครับวันนี้วันนี้วันแรงงานครับเราต้องหยุดพักครับหลายท่านก็ได้หยุดพักนะครับวันแรงงานจริงๆแล้ววันนี้ต้องทำงานหนักนะเพราะเป็นวันแรงงานแต่ว่าเขาให้หยุดก็ขอบคุณพระเจ้านะครับที่เรามีโอกาสได้มัสการพระเจ้าร่วมกันแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ชดเชยอีกวันหนึ่ง ก็แสดงความยินดีด้วยนะครับคนที่ใช้แรงงานนะครับเชื่อและทําตามเป็นหัวข้อในวันนี้นะครับแล้วก็ผมได้ดูเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็ดูข่าวก็ทำให้รู้สึกว่าเมื่อข่าวที่แล้วที่ผมแบ่งปันผมก็เอาเรื่องของเรียนแบบมา <laughs> แบ่งปันนะครับต้องช่วงต้นเช่นเดียวกันครับ สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี้เห็นแล้วก็ตกใจในข่าวที่วัยรุ่นหรือว่าเด็กที่กำลังขึ้นสู่วัยรุ่นเนี่ยเรียนแบบเกมแต่เรียนแบบเกมอะไรครับเกมนี้เป็นเกมช่วยเหลือตัวเองให้พ้นจากพันธนาการมัดมือตัวเองมัดแข้งมัดขาตัวเองแล้วผูกคอครับผูกคอกับผนังแล้วก็ ดิ้นให้เจ้าอี้ที่ตัวเองยืนนั้นหลุดและจะพยายามช่วยเหลือตัวเองช่วยได้ไหมครับตายครับเล่นเกมเรียนแบบและทำตามในแบบที่ไม่ไม่ดีนะครับก็เลยทำให้ตัวเองนั้นเสียชีวิตแท้ที่จริงแล้วคนเราถ้าจะเรียนแบบในแบบที่ดีหรือว่าทำตามในตัวอย่างที่ดีนั้นก็จะเป็นประโยชน์นะครับ ในพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ข้อเดียวจริงๆแล้วครอบคลุมทั้งเล่มครับนะถ้าครอบคลุมทั้งเล่มนี่กลัวจะยาวนะครับก็จะแบ่งประเด็นของในตอนนี้นะครับที่จะออกเป็นสามประเด็นพระธรรมโยชูวานั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเกี่ยวข้องกับสงครามความพ่ายแพ้ความบาปความล้มเหลวและการเข้าสู่การพำนักใน แผ่นดินใหม่ชนชาติใหม่สถานที่ใหม่ชีวิตใหม่จากความล้มเหลวลงนั้นซึ่งเราทั้งหลายเองก็ได้รับบทเรียนตัวอย่างนี้ในการที่จะมีชีวิตในพระเจ้าซึ่งเป็นชีวิตใหม่ที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราทั้งหลายเราพบว่ามีชายคนหนึ่งในกองกองทัพของอิสราเอลเป็นกองทัพที่เกรียงไกรยิ่งใหญ่ สิ่งที่สำคัญในพระวจนะของพระเจ้าในโยชูวาคำสั่งของโยชูวาที่เป็นแม่ทัพและเป็นผู้ที่นำในการต่อสู้ทั้งหลายนี้คือเชื่อฟังและทำตามกองทัพอิสราเอลนั้นได้ข้ามแม่น้ำจอแดนเพื่อกำลังจะเข้าสู่แผ่นดินคานาอันซึ่งเขาทั้งหลายนั้นได้ออกจากประเทศอียิปต์นเวียนอยู่ในถิ่นธุรกรันดาลถึง 40ปีนี่กำลังจะเข้าสู่แผ่นดินใหม่ชีวิตใหม่ที่เขาจะไปดำรงอยู่เมื่อเขาข้ามแม่น้ำจอแดนพระดำรัสของพระเจ้ามาถึงเขาทั้งหลายก็คือว่าเขาจะต้องโจมตีเมืองเยริโคซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านเพื่อจะเข้าไปยึดในแผ่นดินคานาอันสิ่งที่เขาต้องทำนั้นก็คือว่าในการโจมตีเมืองเยริโคนั่นคือให้เขาเดิน อย่างเงียบๆวันละหนึ่งรอบหกวันส่วนวันที่เจ็ดเขาจะต้องเดินเจ็ดรอบและโห่ร้องเสียงดังอะไรเกิดขึ้นครับในวันที่เจ็ดเมื่อเขาเดินด้วยสและโห่ร้องรอบเมืองเยริโคด้วยเสียงอันดังนั้นเองเขาไม่ต้องชักดาบเขาไม่ต้องยิงธนู กำแพงที่หนานั้นถล่มลงมาโดยปกติแล้วเนี่ยกำแพงเมืองนั้นจะต้องเป็นกำแพงที่หนากว้างและที่ข้างกำแพงนั้นก็จะมีคูน้ําใครเคยไปจังหวัดเชีงยงใหม่ไหมครับอาจารย์หลายท่านเป็นคนเชีงยงใหม่นะครับผมเป็นหลานเชีงยงใหม่ครับที่ในเมืองเชีงยงใหม่นั้นจะมีคูน้ำสีเป็นจตุหลัดนะครับเป็นสี่มุมเลย นะฮะแล้วจะมีกำแพงนะครับการที่ตั้งกำแพงและขูน้ำกั้นรอบเมืองไว้อย่างนั้นเพื่อว่าศัตรูที่อาจจะข้ามกำแพงมาแล้วยังจะต้องข้ามน้ำนั้นทำให้คนที่อยู่ในเมืองหรือว่าทหารนั้นก็สามารถที่จะป้องกันเมืองได้แล้วต่อสู้โจมตีศัตรูที่มารุกรานได้แต่ว่าเมื่ออิสราเอลร้อง โหร้องด้วยเสียงอันดังในรอบที่เจ็นั่นเองกำแพงเมืองเยริโคถล่มลงและถมคูน้ำครับอันนั้นเองกองทัพอิสราเอลจึงบุกยึดเมืองเยริโคได้อย่างง่ายดายนี่คือชัยชนะอันยิ่งใหญ่แต่คำสั่งอันหนึ่งคือว่าพระเจ้าตรัสให้กำจัดวัตถุไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นฆ่าให้หมดนะครับทำลายให้หมดมิใชยคนหนึ่งเขาแอบเอาสิ่งของมีค่ามาไว้เป็นของตัวเองเพราะว่าเขาเห็นแล้วเขาอยากได้เพราะมันเป็นเงินทองแก้วแหวนเงินทองที่มีค่าใครเห็นและใครก็อยากได้ครับปรากฏว่าจากการรบเมืองเยริโคการยึดเมืองเริโคที่มีความ เข้มแข็งนั้นเขาทำได้อย่างง่ายดายต่อมานั้นเขาก็จะต้องไปรบกับเมืองไอที่มีคนประมาณไม่กี่พันคนแล้วเขาก็ยกทัพไปอะไรเกิดขึ้นปรากฏว่าเขาพ่ายแพ้กับกองกำลังเมืองเล็กๆสมมติสม ม, ต, ส ม, มติถ้าผมจะเปรียบเทียบกับบ้านเราทางเหนือกำลัง ตีชนะเมืองเชียงใหม่มาได้นะครับจะบุกไปลาปางนะครับผ่านลำพูนซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ก, กองทัพนี้พ่ายลำพูนครับพ่ายกองทัพของเมืองไทยริพูนชัยผมก็พอทราบประวัติศาสตร์อยู่บ้างเมืองไอเป็นเมืองเล็กๆที่อิสราเอลจะบุกและยึดแล้วก็เป็นทางผ่านเพื่อจะเข้าไปสู่คณะอันปรากฏว่า เขาไม่สามารถที่จะชนะได้โยชูวาเสียใจร้องไห้อธิษฐานคร่ำครวญกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ให้พบกับสาเหตุก็คือว่าชายคนนั้นคืออาคารที่ยักยอกข้าวของมาไว้เป็นของตนเองและโยชูวาเองก็จัดการกับคนที่ขโมยนี้ า ก, การกับสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ให้เรียบร้อยแล้วเขาก็ไปบุกยึดเมืองไอได้ด้วยแผนการที่มาจากพระเจ้าโดยการตีท้ายเมืองล่อกอง ล, ล่อกองทัพออกจากเมืองแล้วก็ตีตลบท้ายเมืองนะครับแล้วเขาก็สามารถยึดเมืองไอได้พี่น้องที่รักครับสิ่งที่เหตุการณ์ในการรบของโยชูวาและกองทัพ อ, อิสราเอลนี้ เกิดอะไรขึ้นครับเมื่อเขาฟังในสิ่งที่พระเจ้าสั่งคำสั่งของพระเจ้านั้นเขาก็สามารถามีชัยชนะได้อย่างง่ายดายแต่เมื่อเขาคนใดคนหนึ่งไม่ได้ทำตามหรือว่าแหกกฎแหกระเบียบไม่รักษาคำที่พระเจ้าสั่งไว้นั้นเขาก็พ่ายแพ้และพ่ายแพ้ อย่างหน้าอับอายซึ่งไม่มีใครที่อยากจะแพ้ถ้าเป็นเกมกีฬาอาจจะเป็นบาร์เซโลนาแพ้ทีมโอซาสุซูนาซึ่งเป็นทีมเล็กๆก็ได้ประเภทนี้ซึ่งทำให้เขามีความรู้สึกว่ามันไม่สมควรที่จะแพ้อย่างนั้นพี่น้องที่รักครับในชีวิตของเรา หลายๆครั้งแล้วอาจจะมีสิ่งที่ขาดตกบกพร่องมีบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ได้ทําตามน้าพระทัยของพระเจ้าหรือว่าเราไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าอาจจะเป็นเหตุทําให้เราได้รับการเตือนสอนที่มาจากพระเจ้าและการเตือนสอนนั้นเองทําให้เราเติบโตขึ้นในพระเจ้าโยชวูวาเองเมื่อเขานำํำประชาชนเข้าไปในแผ่นดินคานาอันเขาได้จัด แบ่งเมืองต่างๆให้กับชนอิสราเอลสิบเอ็ดเผ่าเพราะว่าอีกหนึ่งเผ่าครึ่งนั้นเขาไม่ได้ข้ามมาก็าอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ําจอดแดนเขาจัดการระเบียบการต่างๆแบ่งให้ขออภัยครับสิบเอ็ดเผ่านั้นนะครับรวมทั้งอีกเผ่าที่อยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ํำจอดแดนนั้นอีกหนึ่งเผ่าคือเผ่าเลวีเผ่านี้ไม่ได้มี ที่ดินเป็นของตัวเองแต่จะต้องไปอยู่ตามเผ่าต่างๆสิบเอ็ดเผ่านั้นตามที่เขาจัดไว้ให้เพราะว่าคนเลวีนั้นจะเป็นพวกที่รับใช้พระเจ้าในพระวิหารตามกองเวรที่ถูกกำหนดนั้นเขาจึงไม่มีที่ดินเพื่อจะทำมาหา ก, กินประกอบอาชีพต่างๆเพราะว่าเขามีหน้าที่ในการรับใช้พระเจ้าในพระวิหารเท่านั้นเองเอาละครับมันปายของโยชูวานั้นเราพบว่า โยชูวาท้าชวนให้ประชาชนนั้นรักษาพระสัญญาของพระเจ้าคำสอนพระวจนะของพระเจ้าในโยชูวาบทที่23ได้บอกว่าให้มั่นคงในการที่จะรักษาและกระทําตามสิ่งสารพัดซึ่งเขียนไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติของโมเสสเพื่อจะไม่หันไปทางขวามือหรือทางซ้ายมือ จงติดพันอยู่กับพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านก่อนของท่านดังที่กระทำอยู่ในถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นจงระวังตัวให้ดีที่จะรักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านท่านทุกคนได้ทราบในจิตใจของท่านแล้วว่าไม่มีสักสิ่งเดียวซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านสัญญาเกี่ยวกับท่านแล้วล้มเหลวไปสาเร็จหมดทุกอย่างไม่มีสิ่งเดียวที่ล้มเหลวนี่คือ พระเจนาของพระเจ้าที่โยชูวาได้กล่าวกับคนอิสราเอลว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้ฟังพระองค์พระองค์จะวอวยพรเขาให้จำเริญขึ้นให้เติบโตขึ้นเป็นหัวไม่ใช่หางการงานการกระทำของเขานั้นอาชีพของเขานั้นพระเจ้าจะปกป้องพืชสวนไร่นานั้นจะไม่ถูกทำลายไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือว่าศัตรูพืช พระเจ้าจะนําพาเขาและสิ่งที่โยฮวาได้กําชับไว้อีกก็คือว่าเหตุฉะนั้นจงยำเกรงพระเจ้าและปรนิบัติพระองค์ด้วยความจริงใจด้วยความซื่อสัตย์จงทิ้งพระเหล่านั้นซึ่งบรรพบุรุษของท่านเคยปรนิบัติที่ฟาตะวันออกของแม่น้ําและในอียิปเสียและท่านทั้งหลายจงปรนิบัติพระเจ้าและถ้าท่านไม่เต็มใจจะปรนิบัติพระเจ้าท่านทั้งหลายจงเลือกเสียในวันนี้ว่า ท่านจะปรนิบัติผู้ใดจะปรนิบัติพระซึ่งบรรพบุรุษของท่านปรนิบัติซึ่งอยู่ภาคตะวันออกของแม่น้ำอยุเฟติสหรือคนอามูไรในแผ่นดินคานาอันในแผ่นดินซึ่งอาศัยเสียแต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวข้าพเจ้าเราจะปรนนิวัติพระเจ้าโยชูวาประกาศชัดเจนว่า ท่านและครอบครัวจะติดตามพระเจ้าไม่หันไปข้างซ้ายไม่หันไปข้างขวาผมรู้จักผู้วิพากษาคนหนึ่งเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วนะครับท่านเป็นผู้วิพากษาสารเด็กอยู่ทางจังหวัดภาคใต้ท่านเล่าว่า ในการตัดสินเนี่ยมักจะมีคู่คู่ความก็จะมาให้สินบนนี่แม้กระทั่งศาลนะครับผู้พิพากษานะครับเขาก็พยายามที่จะให้สินบนแต่ท่านไม่รับตำแหน่งนั้นก็จะเลื่อนขึ้นช้านะครับแต่อยู่มาไม่นานท่านก็ได้รับการโยกย้ายเข้ามาสู่ในอยู่ในกรุงเทพ แล้ว ไ, ไ, ไม่นานมานี้เองนะครับท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิบดีสารอาญารองอธิบดีสารอาญากรุงเทพใต้นะครับนี่คือพี่น้องของเราที่เป็นคริสเตียนนะครับเป็นสมาชิกที่จักในภาคหกนี่เองไม่หันไปสู่ไม่หันไปหาความอายุที่ทำ ไม่รับสินบนแล้วทั้งหลายครับหลายครั้งที่เราเองพบกับสถานการณ์พบกับเหตุการณ์ต่างๆที่มันทำให้เรานั้นต้องขาดความอดทนเราหันไปทางซ้ายหันไปทางขวาหันไปข้างหันไปข้างหลังแต่เราลืมมองข้างบน เราลืมมองพระวจชนะของพระเจ้าที่จะทาให้เรานั้นได้รับกำลังได้รับการหนุนใจแท้ที่จริงแล้วพระบัญญัติของพระเจ้าที่โมโยชัวได้กล่าวไว้นะครับท่านบอกว่าอย่าให้หนังสือบัญญัตินี้ห่างจากปากของเจ้าแต่จงตรึกตรองตามนั้นทางกลางวันและกลางคืน เพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะทำตามข้อความทุกประการที่เขียนไว้ในนั้นแล้วเจ้าจะมีความจำเริญและประสบความสำเร็จพระบัญจัติแท้ที่จริงในพระคัมภีร์เดิมเราพบว่ามีพระปัญญัติสิบประการให้รักพระเจ้าด้วย อ, อย่ามีพระเจ้าอื่นนอกเหนือจากเราอย่าทำรูปเคารพ อย่าออกพานามพระเจ้าอย่างไม่สมควรให้นำถือวันสะบาโตเป็นวันบริสุทธิ์สีส่ข้อแรกเป็นเรื่องราวของเราของประชากรของพระเจ้ากับพระเจ้าและอีกหข้อหลังเริ่มที่ข้อหเป็นความสัมพันธ์ของเรากับเพื่อนมนุษย์เริ่มต้นจากคนใกล้ชิดจงให้เกียรติแก่บิดามารดาอย่าฆ่าคนอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาอย่าลักทรัพย์อย่าเป็นพยานเท็จ ใจร้าเพื่อนบ้านอย่าโลภครัวเรือนเพื่อนบ้านนี่คือความสัมพันธ์ของเรากับเพื่อนมนุษย์เป็นพระบัญญัติที่มีจุดประสงค์เพื่อให้ประชากรของพระเจ้านั้นอยู่ร่วมกันอย่างสันติอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขไม่ทะเลาะเบาแหวงกันและกันแต่ท้ายที่สุดแล้วพระเยซู ก, ก็สรุป จากพระคัมภีร์เดิมเหมือนกันซึ่งในพระคัมภีร์เดิมเองก็ได้สรุปไว้แล้วนะครับก็คือว่าจงรักพระเจ้าของเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจสิ้นสุดกําลังความคิดและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองใช่ไหมครับพระเยซูกิจเจ้าสรุปทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้เหลือเพียงประการเดียวเท่านั้นคืออะไรครับ ผมน่าจะถามว่าข้อสิบอย่าโลภโผเรือนเพื่อนบ้านแล้วข้อสิบเอ็ดล่ะครับคืออะไรพระบัญญัติที่พระคริสตเจ้าได้ให้ไว้กับเราคือจงรักซึ่งกันและกันนี่คือบัญญัติใหม่ที่พระเจ้าให้พระคริตเจ้าให้ไว้กับเราเมื่อเราได้ทำตามพระวจนะของพระเจ้าได้ทำตามพระบัญญัติของโปรงนั้นพระคริต์เจ้าตรัสว่า เมื่อท่านรู้ดังนี้แล้วท่านประพฤติตามก็เป็นสุขโยชูวามีชีวิตที่ประสบความสำเร็จในการนำประชากรอิสราเอลเพราะว่าเชื่อและทำตามพระบัญญัติของพระเจ้าท่านนำคนจํานวนมากแต่ขอบคุณพระเจ้าที่นำคนรุ่นใหม่ที่มีใจใหม่ไม่ได้นำคนรุ่นเก่าที่เกิดในอียิปต์ ที่ยังมีใจเก่ามีนิสัยแบบอียิปต์อยู่แต่คนเป็นคนรุ่นใหม่ที่ได้รับพระวจนะของพระเจ้าเป็นคนที่เกิดใหม่เหล่านั้นนั่นเองบทเรียนที่เราได้รับจากโยชูวานั้นจากการเชื่อฟังและทําตามนั้นสิ่งที่เราควรจะพิจารณาและสิ่งที่เราควรจะทํานั้นก็คือว่าสิ่งแรกให้เรายอมรับพระวจนะของพระเจ้าเชื่อด้วยใจรับ ด้วยปากพระธรรมโยชุวาในข้อเมื่อกี้เร า, เร า, เราได้บอกว่าให้พระวจนะของพระเจ้าอยู่ที่ปากของท่านแท้ที่จริงแล้วเมื่อเราศึกษาหรือว่าเราใครครวญคำว่าพระวจนะหรือว่าพระวาทะตรงนี้ท้ายที่สุดแล้วเราพบว่าพระวาทะของพระเจ้านั่นคือพระเยซูคริสต์เจ้านั่นเอง พระวัสน์ในประสมการพระวัทะทรงดำรงอยู่กับพระเจ้าพระวัทะทรงเป็นพระเจ้าและพระวัทะได้บังเกิดมาเป็นมนุษย์ให้พระเยซูเจ้าอยู่ในชีวิตของเราพูดด้วยพระวจนะของพระเจ้าบุคคลที่ยอมรับพระองค์ด้วยปากและเชื่อด้วยใจผู้นั้นก็จะรับความรอดความจริงนั้นเรามี ปากปากเดียวพระเจ้ากำลังบอกว่าให้เราพูดน้อยหน่อยมีหูสองหูให้ฟังเยอะขึ้นนะครับแต่หลายครั้งคนเราก็นะครับใช้ปากเยอะกว่าหูพูดมากกว่าฟังนะครับไม่ทันจะฟังแต่พูดไปก่อนพระวนจะนะของพระเจ้ายึงบอกให้เราวัยในการฟัง ช้าในการที่จะพูดนะครับมีเรื่องเล่านะครับบอกว่าที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเสือดุร้ายมากและมันก็ชอบกินคริสเตียนวันอาทิตย์ตอนเย็นวันหนึ่งมันก็ ไปอยู่ที่หน้าโบสถ์ที่อยู่ชายป่านั่นเองมันก็กัดกินาชาวบ้านานะครับขออภัยนะครับเสือนี่ไม่กินคริสเตียนนะมันกินคนแล้ววันนั้นเองมีชายคนหนึ่งถูกกิน สักพักเสือก็ทิ้งเอาไว้ว่าส่วนหนึ่งไว้พี่น้องเดาว่าอะไรครับปากครับคนนี้พูดว่าตัวเองเป็นคริสเตียนแต่ปรากฏว่าเหลือแต่ปากที่เสือไม่กินนั่นทั้งตัวถูกกินหมดมันก็มีข้อคิดว่าเราเป็นคริสเตียนเขาเป็นคริสเตียนแต่ปาก แต่ว่าการกระทำมันไม่ไม่มีแบบอย่างที่เป็นคริสเตียนเลยหรือมองอีกงั้นอันหนึ่งก็ได้บอกว่าเหลือตากไว้ให้พูดเรื่องพระเจ้าก็รู้สึกดีนิดหนึ่งนะครับครับให้พระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ใช่เพียงแค่อยู่ที่เราพูดเรื่องพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นแต่ว่าให้ทั้งชีวิตของเรานั้นมีพระวจนะของพระเจ้านะครับอันที่สองครับโยชูวาบอกว่า คร่ครวญทั้งกลางวันและกลางคืนให้เราไข้ครวญพระวจนะของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอผมเชื่อว่าพี่น้องมีกลุ่มกลุ่มไล่พระคำพีนะเยอะแยะนะครับบางคนงเป็นสิบๆกลุ่มแต่ละกลุ่ ม, มส่งทั้งข้อความพระวจนะของพระเจ้าหลายคนอยู่ในห้องศิริยิบาลกับฟังศิริธิบาลทุกเช้าผมก็มีอีกห้องหนึ่งนะครับห้องชั้นบนซึ่ง มีพี่น้องของเราที่เป็นนักร้องเนี่ยเขาจะพิมพ์ทุกๆเช้าผมก็เชอขอภัยนะผมก็ขี้เกียจส่งต่อนะผมก็เลยตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาขอพี่เข้าส่งเข้ามาในกลุ่มนี้นะฮะก็เป็นประโยชน์ครับหลายๆคนก็มีห้องอหนังสือห้องคู่มือภาวนาเป็นมานาที่วายทางสมทางวายซีเขาจัดมีหลายๆคน ที่มีบทเรียนมีพระวจนะของพระเจ้าที่เราสามารถใช้เครื่องมือต่างๆเหล่านี้ในการที่จะใกล้ครวนพระวจนะของพระเจ้าในร่างกายของเรานั้นเราต้องกินอาหารและให้ต้องกินให้ครบหมู่ใช่ไหมครับขณะเดียวกันฝ่ายจิตวิญญาณของเราก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องรับประทานอาหารฝ่ายวิญญาณซึ่งพระวจนะของพระเจ้านั้นเปรียบเหมือน น้ำนมเปลี่ยนอาหารของพระเจ้าที่จะบำรุงเลี้ยงชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเรานั้นให้เติบโตขึ้นมนุษย์จะบำรุงเลี้ยงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวไม่ได้แต่ต้องบำรุงชีวิตด้วยพระวจนะของซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าเราจะใคร่ครวญพระวจนะของพระเจ้าอย่างไรครับอันดับแรกเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ตอนใดตอนหนึ่ง สิ่งแรกนะครับให้เราศึกษาว่าพระกรมัมภีตอนที่เราอ่านนี้กำลังพูดเรื่องอะไรถ้าโยชูวาบทบทที่หนึ่งเมื่อสักครู่กำลังบอกกับเราว่าเป็นเรื่องของการเตรียมเข้าสู่แผ่นดินคานาอันนะครับสองเรามีความบาปอะไรที่ต้องสารภาพกับพระเจ้า ให้เราใไขครวญดูแล้วเราสา ร, รภาพกับพระเจ้าสามพระเจ้ามีคำสั่งให้เราทำอะไรอาจจะมีคำสั่งห้ามอาจจะมีคำเตือนอาจจะมีคำสั่งให้กระทำเราจะพบคำว่าจงเราจะพบคำว่าอย่าและนั่นคือคำเตือนของพระเจ้าที่พระองค์กำลังสั่งกำลังเตือนให้กับเราและสี่ครับ มีพระสัญญาอะไรเราพบว่าข้อเมื่อสักครู่นะครับมีพระสัญญานะครับว่าเมื่อเขาประชากรของพระเจ้ า, าทําตามทุกประการแล้วเขาจะมีความจาเริญและประสบความสำเร็จนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้านั้นมีเต็มไปหมดในพระคัมภีร์เมื่อพี่น้องอ่านและให้เรา ทำตามพระราชกิของพระเจ้านั้นเราก็จะพบกับความสําเร็จตามพระราชกิซึ่งพระเจ้าทรงสัญญาไว้นั้นเพียงแต่ว่าให้เราใคร้ครวนนะครับจัดเวลาของเราเป็นเวลาที่สม่ําเสมอเวลาใดเนอะเวลาหนึ่งบางคนอาจจะเป็นตอนเย็นบางคนอาจจะเป็นตอนเช้าบางคนอาจจะเป็นตอนรถติดตอนรถติดอาจจะไม่สม่ำเสมอเท่าไหร่ ประการที่สนะครับบทเรียนที่เราได้เห็นจากโยชูวาหนึ่งนั้นเรารับด้วยปากอันที่สองนั้นเราคข้ครวญพระวจนะอย่างสม่ำเสมอและอันที่สครับให้เรากระทำตามอย่างเคร่งครัดในวันที่พระคริสต์เจ้าถูกกลึงและพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่8ดนั้นสาวก คนหนึ่งบอกว่าเขาไม่เห็นพระเยซูแล้วพระองค์ไม่มาสักทีขี้เกียจรอแล้วข้าจะไปจับปลาพวกชาวประมงทั้งหลายพากันไปข้าไปด้วยนะครับปรากฏว่าหาปลาคืนยันรุ่งไม่ได้อะไรเลยครับมีชายคนหนึ่งยืนมองไกลๆจากชายฝั่งได้ปลาบ้างไหม เสียงตอบมาไกลๆไม่มีเลยอโยนไปข้างขวาสิผมหามาทั้งคืนแล้วไม่ได้อะไรเลยจะลองดูแล้วเมื่อเขาโยน ล, ลากโอนลงไปด้านขวามือนั่นเองปลาเป็นอันมากติด เต็มอวนของพวกเขาสิ่งที่เขาทำนั่นคือว่าเขาทำตามสิ่งที่ชายคนนู้นสั่งมาโดยที่เขายังไม่รู้ว่าคือพระเยซูคริสต์ฝ่ายเปโตรนั้นพอเห็นปลาเยอะขนาดนั้นเขารู้ทันทีว่านั่นคือพระเยซูเปโตรรีบคว้าเสือ้อแล้วก็กระโดดลงน้ำวิ่งไปหาพระเยซูที่ชายฝั่งนั้น ปลาที่ได้นั้นร้อยห้าสิบสามตัวไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเพียงพอที่เขาจ ะ, ะดำรงชีวิตเพียงพอที่เขาจะใช้ในการรับประทานและแบ่งปันให้แก่กันและกันแท้ที่จริงแล้วพระวจนะของพระเจ้าพระบัญญัติอของพระเจ้าที่ผมได้กล่าวเมื่อสักครู่การรักซึ่งกันและกันนั้น เป็นวิถีทางของชีวิตใหม่ที่เราจะดำเนินในพระเยซูคริสต์จะพูดว่าง่ายก็ง่ายจะพูดว่ายากก็ยากถ้าเราไม่รักซึ่งกันและกันความสำเร็จของและพระพรของพระเจ้าความสันติสุขของพระเจ้าที่ก็ไม่อยู่ท่ามกลางเราเรา จ, จะไม่ต้องทิ้งสิ่งเก่า ทั้งหลายที่เป็นตัวเก่าของเราเหมือนกับคนอิสราเอลที่เขาจะต้องทิ้งลักษณะของคนอียิปต์ที่เขาเติบโตมานั้นและเขาดำเนินทตามทางชีวิตใหม่พระวจนะของพระเจ้าในโคลรสีบทที่สามได้บอกว่าเพราะฉะนั้นจงประหารโลกียะวิสัยเสียบัดนี้ท่านทั้งหลายจงละทิ้งสิ่งทั้งหมดเหล่านี้คือความโกรธความ ชุนเฉียวการคิดร้ายการใส่ร้ายการพูดหยาบโลนที่ออกมาจากปากของท่านอย่ากโกหกต่อกันเพราะว่าท่านได้ปลดวิสัยมนุษย์เก่ากับพฤติกรรมของมนุษย์นั้นแล้วและสวมใส่สวมวิสัยมนุษย์ใหม่ที่กำลังรับการสร้างขึ้นใหม่ตามพระชายาขององค์พระบุญเจ้าเพื่อจะรู้จักพระเจ้า เราทิ้งสิ่งที่เก่าเหล่านี้ลงไปและให้เราใส่สิ่งที่ใหม่ขึ้นมาเพื่อว่าเราจะมีความรักตามอย่างของพระเยซูกิจเจ้าในข้อที่สิบสามของโคลสีบทที่สาได้บอกว่าเพราะฉะนั้นในฐานะที่พวกท่านพวกที่พระเจ้าทรงเลือกพวกที่บริสุทธิ์พวกที่สงรักจงสวมใจเมตตาใจปราณีใจถ่อมใจอ่อนสุภาพใจอดทนนานใจ ใครมีเรื่องราวต่อกันและกันจงยกโทษให้แก่กันและกันเหมือนที่พระคริสต์เจ้าส่งยกโทษให้แก่ท่านทั้งหลายนี่เข้ามาสู่พระบัญญัติของพระเจ้าคือการที่เรามีความรักต่อกันและกันเพื่อว่าชีวิตของเรานั้นจะมีความสันติสุขมีความสุขตรงกันข้ามกับชีวิตเก่าหลายๆครั้งหลายๆคนที่หรืออาจจะเป็นผมหรือพี่น้องก็ได้ ที่เราอาจจะเดือดร้อนใจเมื่อมีคนที่มีความสุขทําไมคนมีความสุขเราต้องเดือดร้อนใจครับเพราะว่าอิจฉาเดือดร้อนใจเพราะเห็นคนรักเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเห็นคนได้รับเกียรติได้รับชื่อเสียงแต่จะพอใจเมื่ออะไรครับเมื่อทําร้ายได้วางแผนทํา ได้ทำให้คนอื่นแตกแยกกันทำการหักหลังกันพูดโกหกให้กันนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทยัยและไม่ได้อยู่ในความรักของพระเจ้าไม่ได้อยู่ในพระบัญญัติของพระเจ้าแต่เมื่อเราได้เปลื้องสิ่งต่างๆเรานี้ทิ้งความรักของพระเจ้านั้นก็งอกงามได้เติบโตขึ้นในชีวิตของเราความเมตตาการเอื้ออาทรการที่จะอยู่ ร่วมกันอย่างสันติอย่างมีความสุขและชีวิตของเราที่เติบโตขึ้นในพระเจ้านั้นการรับใช้การเสียสละการอุทิศตัวเองก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราพี่น้องทีละ ร, รับหากเราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามถ้อยคำและพระวจนะของพระเจ้าทุกอย่างก็ไร้ค่าอาจจะเป็นเหมือนกับปากของคนนั้นที่เสือไม่กิน ความเชื่อแท้ที่จริงแล้วไม่อยู่ไม่ได้อยู่เพียงแค่คำพูดแต่ต้องอยู่ที่การกระทําด้วยชีวิตที่สําดงความรักชีวิตที่สําดงพระเจ้าสําเดงพ ร, พระเยสุคริตทาที่มีความเมตตาปราณีต่อกันมีความรักมีความเอื้ออาทรมีความดีมีความหวังดีมีการรู้จักบังคับตนเองนั่นแหละครับคือ สิ่งที่เราออกมาจากชีวิตของเราโดยความเชื่อและที่จะออกมาเป็นการกระทําที่เราเรียกว่าการเชื่อฟังมีเรื่องที่น่าคิดอันหนึ่งนะครับเป็นอุทาหรณ์บอกว่ามีขี้จักรแห่งหนึ่งในปีที่แห้งแล้งรู้สึกปีนี้เป็นปีที่มีความแห้งแล้งเหมือนกันนะครับ เมื่อผมเตรียมผมก็ทำให้ผมคิดถึงสถานการณ์ณเวลานี้เหมือนกันนะครับชาวนาคริสเตียนกลุ่มหนึ่งนะครับก็พากันไปอธิษฐานขอพระเจ้าประทานฝนเพื่อว่าเขาจะได้ทำนาได้ถูกทันเวลานะครับมเีเด็กจริงคนหนึ่งก็ไปกับคุณพ่อของเขาหลังจากการประชุมอธิษฐานที่โบสถ์เสร็จนะครับ เ, เด็ก น้อยคนนี้ก็ถามพ่อของเขาว่าคุณพ่อคะตกลงทุกคนที่นี่เชื่อจริงๆหรือคะหรือไม่ว่าฝนจะตกขณะที่เขามาอธิษฐานเขามีความหวังที่พระเจ้าจะประทานฝนและเด็กก็ถามว่าเขาเชื่อหรือว่าฝนจะตกพ่อก็เริ่มสงสัย และพ่อบอกว่าแน่นอนลูกที่เรามาเนี่ยเรามีความหวังว่าพระเจ้าจะประทานฝนให้กับเราเด็กน้อยกำลัจริงหรือคะพ่อแต่คุณพ่อคะทำไมหนูไม่เห็นใครถือร่มมาเลยนั้นเด็กคนนี้กำลังตั้งคำถามว่าถ้า ทำไมถ้าทุกคนมีความเชื่อว่าฝนจะตกทำไมทุกคนไม่เอาร่มมาแสดงว่ายังไม่มีความเชื่อใช่ไหมขอพี่น้องขอให้เราเป็นคนนั้นนะครับที่จะเป็นคนถือร่มมาเมื่อเราอธิษฐานขอฝนเพราะว่าเรามีความเชื่อว่าฝนจะตกเราจึงถือร่มถ้าเราไม่ได้ถือร่มมาแสดงว่าเราก็ไม่ได้เชื่อว่าฝนจะตก ขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านที่เราจะมีชีวิตที่เชื่อฟังและทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอาเมน